ก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งตามคําเรียกร้องที่บอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันผ่านไปแล้วก็ผ่านมาแล้วต่อไปมันก็จะผ่านออกไปอีกก็ยินดีที่ได้มาพบกันอีกครั้งนึงวันนี้ก็อยากจะทบทวนนะเนมื่อคราวที่แล้วนี่ให้วิธีการปฏิบัติตนที่อยู่ในนี้เนี่ยว่าสามข้อถ้าทําได้เนี่ยเราจะมีความสุข ในทุกสถานที่ผมเองก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยและทุกอย่างก็เป็นไปโดยเรียบร้อยข้อแรกตัดญาติข้างนอกเพราะว่าญาติข้างเรามางีเป็นเครื่องกังวลเบื่ออะไรเขาจะมาเขาจะคิดถึงเราไหมแล้วทำให้เรานอนไม่หลับความกังวลใจเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าทิ้งไปไหนตัดชั่วคราวก่อน เรามาหาญาติใหม่คือมาสร้างญาติข้างในนี่แหละคือที่เรามองหน้าเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยเป็นญาติข้างในเป็นญาติที่แท้จริงเราเจอกันทุกวันทําดีกับเขาให้อาภาัยเขาเสียสละกับเขาอ่อนน้อมต่ำตนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันแล้วเราก็จะรักกันและอยู่กันแบบอบอุ่นด้วยเมตตากันสองข้อซึ่งเราดูไม่ยากแต่ข้อที่สามนี่อาจจะยากสักหน่อย แต่ของยากๆเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยมันภูมิใจนะตั้งใจติดคุกไอ้คว่าตั้งใจติดคุกนี้ไม่ใช่ว่าก้มหน้าก้มตารับกรรมไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เปลี่ยนความคิดสมัยนะคําว่าตั้งใจติดคุกนั้นให้เรามาใช้สติเรียนรู้ชีวิตเพราะว่าผมเองนี่ก็เช่นเดียวกันตอนที่พิการใหม่ๆก็เป็นทุกข์มากกับพวกเราอีกผมต้องติดคุกของความพิการตลอดชีวิต ตายไปแล้วถึงจะพ้นโทษของความพิการลําบากกับท่านดิแต่เขาใจกคาถาแบบเนี้ยแม้อาวพาพิการจะเกิดขึ้นในร่างกายแต่เราเปลี่ยนติดเปลี่ยนใจออกจากคุกของความพิการได้พวกเราหนีร่างกายยังไม่ออกไม่เป็นไรนะเอาใจออกก่อนเพราะเองก็ตัดญาติข้างนอกสร้างญาติข้างในคือคนใกล้ตัวคนที่เขารักเราไม่ใช่คนที่เรารักคนที่เรารักนั้นมันอยู่ข้างนอก แต่คนที่รักเรานะั้อยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วก็ตั้งใจพิการด้วยคือเต็มใจเอาความพิการเนี่ยเป็นการเรียนรู้เรียนรู้ชีวิตจากความพิการตัดญาติข้างนอกสร้างญาติข้างในตั้งใจพิการเพราะว่ากรงขังหรือเรือนจําที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่ความพิการไม่ใช่กําแพงที่ขวางกาั้นไม่ใช่เดี๋ยวฟังไปจะรู้ว่า อะไรคือโครงขังจิตใจที่แท้จริงทุกครั้งที่ผมเข้ามาในเรือนจำเนี่ยมาแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่คิดว่าผงเข้าเรือนจำหรอกนะพอคิดว่าผมเข้ามาในมหาวิทยาลายัยเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตวัยหนุ่มกลางยูนิเวอร์ซิตี้พวกเรานี่คือนักศึกษาเป็นผู้ศึกษาชีวิตเราไม่ได้ติดอยู่ในเรือนจเพื่อจะ รับกรรมอย่างเดียวเรามาศึกษาชีวิตชีวิตไม่ใช่สิ่งนี้ต้องมาต่อสู้ชีวิตไม่ต้องต่อสู้นะต่อสู้ชีวิตนี้มันไม่ยากหรอกเอาเชื่อคอยแล้วก็เอาคอผูกมันก็ชนะแล้วใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่เป็นการต่อสู้ชีวิตเพื่อให้มีการล้มตายกับีปข้างหนึ่งไม่ใช่ชีวิตคือการเรียนรู้คือการศึกษาศึกษาชีวิตเรา แล้วก็ศึกษาชีวิตคนอื่นเราจะได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาพูดกับผู้ต้องขังผมมาคุยกับนักศึกษาที่เป็นปัญญาชนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดี๋ยไม่ตั้งใจฟังแบบนี้นะโพลล์ตับมัง่งลุกมัง่งทำหน้ามีมัง่งหลับตามัาง่ง นอนลั บ, บั้งใจรอยบ้งผู้เรานี่ตั้งใจฟังนี่คือธรรมชาติของนักศึกษาชีวิตแต่ให้ศึกษาชีวิตเริ่มจากตัวเราเองก่อนเมื่อเราเข้าใจตัวเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกๆคนพวกเราศึกษาจากการใช้ชีวิตในเรือนจำผมศึกษาจากความพิการจากความทุกข์ทั้งเป็นโอกาสดีเรามีโอกาสดีแล้วที่จะอยู่ที่นี่ถ้าเรา ไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็จะไม่ได้มาหยุดดูตัวเองไม่เข้าใจตัวเองและไม่เข้าใจคนอื่นเราก็จะฟึ่งเฟื่อไปตามอารมณ์ไปตามความคิดทำแต่สิ่งข้างนอกไม่เคยมาดูแลตัวเราเลยถูกไหมเราก็จะไม่เข้าใจชีวิตเราเราก็จะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องผมเองก็ถูกหยุดให้ดูตัวเองเพราะว่าเหมือนถูกตรีตวนนะไปไหนไม่ได้ถ้าใครไม่อุ้มผมก็นอนอยู่อย่างนั้น ไฟไหม้ไม่หนีน้ําท่วมก็ไม่หนีนะถ้าใครไม่ยกผมไปผมไม่หนีนี่เป็นการศึกษาที่ถูกบังคับโอแต่มันได้ความรู้มากเลยถ้าเราไม่มีโอกาสได้พิการเราจะไม่รู้จักตัวเราเองถ้าพวกเราไม่มีโอกาสได้มารวมกันที่นี่นี่เราก็ไม่รู้จักตัวเราเองอันนี้เป็นส่วนดีงั้นเราก็ทําตามความคิดทําตามอุปนิสัยเราและปัญหาจะเกิดขึ้นมากมายและไม่มีใครรับผิดชอบเรา เวลาเรามีความทุกข์เราต้องมาทำหน้าที่รับใช้กรรมอยู่อย่างนี้แหละที่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราอย่าเข้าใจผิดอย่าคิดว่าเราคือผู้ที่กระทำผิดทุกวันบางคนเข้าใจผิดนะโอ้เราเป็นคนผิดผิดอยู่ทุกวันแล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกผิดลนะ่ะเราเป็นเพียงผู้ที่เคยกระทำความผิดเท่านั้นจริงไหมเราเป็นบุคคลที่เคยกระทำความผิดไปนั้น และดี๋นี้มันก็ผ่านไปแล้วนะปัจจุบันทุกคนนี่ไม่ได้ทำความผิดเราทำความดีมากกว่าความผิดได้ตามไปถูกมอย่างตอนนี้หลายล้านคนเนี่ยกำลังทำความผิดนะแต่พวกเราเนี่กกำลังทำความดีกำลังฟังกำลังเรียนรู้คำว่าตั้งใจติดคุกคือตั้งใจเรียนรู้ชีวิตตอนนี้ทุกคนกำลังเรียนรู้ตัวเองอยู่เป็นคนดีแล้ว อย่าไปเหมาโหล ว, ว่าเราผิดตลอดชาติไม่ใช่มันตัดตอนกันไปแล้วตอนนั้นมันตายไปแล้วคนเกา่าเป็นคนใหม่แล้วเป็นนักศึกษาที่ศึกษาชีวิตไม่ใช่ต่อสู้ชีวิตจึงไม่มีการทำร้ายกันรบรากับชีวิตไม่ใช่แต่เราจะเข้าใจกันทั้งตัวเราและผู้อื่นแต่ว่าการศึกษาชีวิตเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือบางคนงงเอ้เราก็ดูกระจกทุกวันไม่เหน็นจะรู้มากว่าเก่าเลย น, นั่นก็อยู่ตรงนั้นไอ น, นี้อยู่ตรงนี้มันจำได้ติดตานั่นดูกระจกเปลี่ยนแปลงแค่สิ่งกระทบภายนอกเท่านั้นกระจกที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นสิ่งที่เราควรดูนั้นอันนั้นไม่ต้องดูหรอกผมนี่ไม่เคยดูกระจกมาหลายปีนะแต่ว่าสิ่งที่เราควรดูคือกายและใจเราจิตใจของเราเนี่ยกระจกตัวดีเลยละ่ะเราเรียนรู้ชีวิตเนี่ยจากความผิดพลาด จากปัญหาจะได้รู้ของจริงระหว่างความสุขกับความทุกข์อันไหนมันหลอกลวงเรามากกว่ากันความสุขทาให้เราหลงระเริงและเวลาถึงคราวเป็นทุกข์เนี่ยความสุขมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยความสุขไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยเขาเป็นคนที่เรารักแต่ความสุขไม่ได้รักเราจริงแต่ความทุกข์เนี่ยเขาซื่อสัตย์ต่อเรา นึกทีไหล่ก็เกิดขึ้นทุกทีใช่ไหมเนี่ยคือคนที่รักเราซื่อใจต่อเราแล้วเรียนรู้ชีวิตได้จากความทุกข์จากปัญหาจากความผิดพลาดแล้วมันแปลกนะความสุขเนี่ยรู้ได้จากความทุกข์เพราะเองเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสพิการอย่างนี้นะผมก็จะไม่มีความสุขหรอกเราต้องมีเครื่องมือมีเครื่องมือมาดูตัวเราไม่ใช่ตาอย่างเดียวนะ เครื่องมือศึกษาชีวิตอยากให้เรามาให้ความสำคัญตัวนี้มากๆสติเป็นผู้ที่ศึกษาชีวิตสติเป็นนักศึกษาทุกคนมีแล้วนะแต่ยังน้อยไปหน่อยอะไรคือตำลาเล่มใหญ่คือกายของเราแล้วก็จิตใจของเราเป็นตำลาเล่มใหญ่ไปไหนไม่ต้องไปฮิ้วไปหอบมันไปกับเราความสุขความทุกข์ความเบื่อความเซ็งความเหงา ความคิดถึงความอาฆาตปยาบาทโปรดแค้นอันนี้คือตำลายเราได้ดูมันดูซิว่ามันเป็นอย่างไรมันมีตัวมีตนจริงไหมเพราะนั้นอยากให้เรามีสติตัวเนี้มีตัวเดียวเอาชีวิตได้รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขด้วยทุกคนคิดนะแต่เรารู้ไม่ทารกมันคิดแล้วอย่าลองคิดว่าเมื่อไหร่มันจะคิดมันมันจะอีกนานไม่กว่าจะคิดความคิดเป็นยังไงเนาะคือทุกคนคิด แต่เราไม่รู้จักมันเห็นไหมมันหลอกเรานะไม่มีใครเลยที่จะไม่คิดมันคิดตลอดอะแต่เรารู้ไม่ทันทําไมจะรู้ไม่ทันเพราะเราเข้าอยู่ในความคิดถูกไหมพอเราเข้าอยู่ในความคิดเราไม่รู้จักความคิดเหมือนเราก็อยู่ในมุงเรารู้จักมุ้งไหมเห็นแค่มุงข้างในถ้าอยู่นอกมุงโอ้เห็นมุงด้วยเห็นตัวเราด้วยเพราะเราก็อยู่ในความคิดเราจึงไม่รู้ว่าเราคิดเนี่ย อันนี้เป็นเพราะว่าสองอย่างคือหนึ่งเราขาดสติอย่างหนึ่งนะสองคือเราเพ่งเราเระวังถูกไหมถ้าเราเระวังเราเพ่งเนี่ยความคิดจะไม่แสดงตัวอย่างพวกเราเนี่ยเวลามีผู้คุมมองเราเนี่ยโอ้เรียบร้อยมาถูกไหมเราจะไม่แสดงท่าทางเราออกมาแต่ถ้าเราหันไปดูบุรีโอ้เราแหมอยากเหมือนกันเรามันจะแสดงพฤติกรรมออกมาเลยอันนี้ไม่ผิดนะที่เราทำเนี่ยไม่ผิด ให้เรารู้ความจริงของชีวิตว่าเราเนี่ยมีกายมีใจไหนใครไม่มีกายไม่มีใจบ้างเรามีกายมีใจแต่เราไม่เคยเป็นเจ้าของกายใจเลยใช่ไหมเราไม่มีสิทธ์เลยผู้ที่เป็นเจ้าของกายใจคืออะไรไหมความคิดมันเป็นเจ้าของเรามันนำเราอยู่เรื่อยๆถูกไหมเวลามันคิดอยากอะไรล้วก็ทำตามความอยาก ใช้กาให้วิ่งว่อนไปทําตามความอยากถูกไหมเวลาเราไม่อยากเราไม่ชอบเราก็จะทําลายเพระาะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราเนี่ยให้มีสติเป็นผู้นําชีวิตชีวิตจะปลอดภัยโครงขังของชีวิตก็คือภัยร้ายในดวงจิตคือความคิดนี่เองอย่างเนี้ยเราถูกขังทั้งข้างนอกและถูกขังทั้งในคือความคิดมันขังเราให้เราทําตามมาเรื่อยๆ ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเราอยากดื่มตุราความอยากดื่มตุลามันคิดก่อนใช่ไหมคิดอยากพอคิดอยากแล้วเราไม่รู้ว่ามันคิดอยากรู้ไม่ทันในความอยากเราก็ทำตามความอยากคือไปดื่มถูกไหมพากายไปดื่มซึ่งร่างกายมันไม่ต้องการเหล็กตุลามีใครเกิดมาพร้อมกับขวดเหล้าขับแก้วไม่มีนะ เราไม่ได้เอาขวดเหล้านำหน้าแล้วตัวตามหลังคลอดมาแล้วเกิดใหม่เกิดมาแล้วคุณแม่เอากล้วย ส, สวยป้อนเราเอาน้ํานมที่บริสุทธิ์ซึ่งร่างกายต้องการอย่างนั้นแต่ความคิดที่ประกอบด้วยความอยากเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันให้กินเลือย ก, กินมากๆคอทองแดงคอตั้งไม่ไหวก็คอแข็งคอให้พออยากอยากแล้วเราก็ดื่มผลอะไรไงติดถูกไหม พอดื่มแล้วมันก็หายอยากเหมือนกันนะแต่มันติดชั่วคราวอ่าอิ่มชั่วคราวหายอยากชั่วคราวแล้วมันก็ติดติดแล้วมันจบตรงนี้ไหมมันคิดอยากอีก <laughs> มันอยากพออยากแล้วต่อไปอะไรเชื่อความคิดก็ไปดื่มดื่มแล้วมีผลอะไรติดอีกนะก็วนเวียนอย่างเงี้ยเพราะเราอยากจึงดื่มเพราะดื่มจึงติด เพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงดื่มเพราะดื่มจึงติดเพราะติดจึงอยากมันก็วนเวียนอยู่เงี้ยแต่ถ้าเราไม่อยากอ่ะมันก็ไม่ต้องดื่มถ้าไม่ดื่มมันก็ไม่ติดตใครบอกถ้าดื่มมันยังติดเมื่อไม่ติดมันก็ไปอยากเพื่ออะไรอ่ะเพราะอยากจึงดื่มนี่พอดื่มแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นนะโอ้เมา เ, าเลเทะเลย หามกุบเตียเข้าหน่อย น, อนนะ้องนาเจียนสุนัขเรียปากก็ไม่รู้สึกมันมีผลมากแล้วก็ติดแล้วก็อยากถ้าเราไม่อยากมันก็ไม่ดื่มไม่ดื่มมันก็ไม่ติดถูกไหะแต่ในตาตรงข้ามถ้ามันเกิดความอยากความอยากนี่เป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องร่างกายมันเริ่มมาจากจิตใจก่อนถ้าเรามีสติรู้ตันในความอยากจบกันเลยรู้ทันในความอยากความอยากก็จะหายไปเพราะความอยากมันก็มีเทีย่ยง เมื่อไม่อยากก็ไม่ดื่มสบายเลยแค่รู้ทันความคิดเท่านั้นเองใครเป็นผู้รู้ทันความคิดสติไงในทางตรงข้ามบางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากเราไม่ชอบอย่างเช่นเป็นความโกรธเนี่ยใครไม่มีความโกรธบ้างแต่ตอนนี้ท่านไม่โกรธนะไหนว่าความโกรธแสดงตัวไม่ดูสิหน้าตามันเหมือนแมวไหมไม่มีความโกรธแต่ความโกรธมันมากับอะไร มันมากับความคิดถ้าไม่คิดมันไม่โกรธถูกไหมคิดโกรธแล้วเราก็ทําตามความโกรธและผลเป็นยังไงแล้วก็รับกรรมในส่วนนี้เห็นไหมพอเราขาดสติขาดความอดทนในความโกรธเวลาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจอย่าไปผูกโกรธไว้อย่าไปผูกแค้นให้เราแก้แค้นให้ได้ทุวนันนี้เราไม่ได้ผูกเราไม่ได้แก้แค้นะเราผูกแค้นต่างหาก ถ้าเราแก้แค้นนี่แค้นต้องหมดใช่ไหการแก้มีแต่การหมดใช่ไหแต่เราไปผูกแค้นไม่ใช่หรอกเราต้องแก้แค้นเวลาโกดต้องแก้แค้นแก้ให้มันหายแค้นไม่ใช่ไปผูกแค้นพวกเรานี่แหละคือกรงขังของชีวิตกรงขังจิตใจคือความคิดที่เราทำอะไรเกิดคิดเราโลดเชื่อมันุกทีไปเพราะนั้นวันนี้จึงมาชวนให้เราแหกคุบทางจิตวิ ญ, ญญาณ แหกกงถังความคิดคือไม่เชื่อมันไม่ใช่กลางนอกนะจิตใจเราเองคุกของความคิดมันติดจนตายไม่ใช่เฉพาะพวกเราทุกๆคนที่ยังเชื่อความคิดต้องติดคุกตลอดชีวิตและมันจะมีความสุขอิสรภาพได้อย่างไรวิธีการแหกคุกขึ้ความคิดนั้นให้เรามีสติรู้ทันตัวเราเสมอๆรู้ทันกายที่มันเคลื่อนไหว จะทำอะไรก็ตามให้มีสติรู้ทันมันเห็นเราจะมีสติปัญญาเป็นผู้นำชีวิตทันทีเลยเวลามันคิดอย่าไปเชื่อมันให้ขอดูสักหน่อยมันคิดแล้วถ้าถ้าตามความคิดแล้วผลจะเป็นอย่างไรถ้าผลไม่ดีเราก็ไม่เชื่อมันไอ้หน้านี่เราไม่เชื่อแล้วไอ้หน้าเก่าๆ เ, เรื่องเก่าๆมาหลอกเราไม่เชื่อแล้วสติเป็นผู้ที่รู้ทันมันก็จะเกิดอิสรภาพในชีวิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นยายพวกเราเนี่ยดาเนินชีวิต อยู่ทั้งทั้งในและข้างนอกด้วยสติปัญญาสติปัญญาเท่านั้นเป็นผู้ที่รักษาศีลให้ไม่ขาดวินชีวิตจะปลอดภัยนะเราอยากจะใช้ชีวิตที่นี่อย่างมีความสุขขอให้เรามีสติบ้างหน่อยแล้วก็ทําตามกฎระเบียบของเรือนจําแห่งนี้อย่างเคร่งครัดระเบียบเรือนจํามีกี่ข้อแล้วก็ทําตามระเบียบแล้วเราจะอยู่อย่างสบายนะ ส0ข้อนะนะเราทำไม่ได้หรือรู้ไหมว่าระเบียบวินัยของพระมีกี่ข้อสองอยยี่สิบเจ็ดข้อสองร้อยเจ็ดข้ อ, ขอท่านอยู่ในวัดอย่างมีความสุขเพราะอะไรมันต่างจากเราน ะ, ะมีเรือนจําแห่งหนึ่งเ้านิมนต์พระเข้าไปสอนอย่างเงี้ยเข้าไปสอนเรื่องการเจริญสติการภาวนาเนี่ยสอนเรื่องการเจริญสติให้มีสติ พอสอนจบแล้วทายละการก็เปิดโอกาสให้ผู้ตรงขังได้ซักถามมีผู้ตรงขอังอรายหนึ่งซักถามว่าชีวิตในวัดเนี่ยท่านทำอะไรบ้างหลวงพ่อทำอะไรบ้างพระกุณเจ้าทำอะไรบ้างหลวงพ่อก็เลยเล่าว่าอ๋ออยู่ในวัดเนี่ยเนื้อที่นี่กว้างมากเลยในวัดเนี่ยแต่ต้องอยู่กุฏิเล็กๆต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่บัวันอากาศหนาวมาก ต้องฉันอาหารมือเดียวหลังเที่ยงวันก็ฉันไม่ได้จะได้แต่น้ําเปล่าแล้วต้องฉันในบาตรด้วยนะใส่แล้วสํารวมแล้วก็ฉันไม่ได้ดื่มสุราแม่น้ําบัดลมก็ไม่ค่ยได้ดื่มไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ดูหนังไม่มีคู่ครองด้วยเวลานอนต้องนอนกับพื้นชีวิตที่ผ่านไปเนี่ย บางทีก็ต้องทำงานนะ่ะอยู่ในวัดแล้วต้องมีการภาวนานั่งภาวนาตลอดทั้งวันต้องถือศีล27ข้ออย่างเคร่งครัดโอ้พระผูดอย่า ง, งนี้นะเล่าถึงชีวิตในวัดเนี่ยผู้ตรงขังที่นั่งฟังอยู่ใน อ, อึ้งโอเปลี่ยบเทียบชีวิตผู้ตรงขังกับพระกุณฑ์เจ้าเนี่ยมันต่างลิบรับเลยผู้เจ้าลำบากกว่าต้องถือศีลมนไอย่างเคร่งครัด มีผู้ตรงขังท่านหนึ่งสงสารพระคุณเจ้าอย่างจับใจลูกคุณจืนบอกว่าลืมไปว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ที่แห่งใดโอ้หลวงพ่อครับทําไมชีวิตในวัดจึงยุ่งยากอย่างนี้อยากกันนั้นเลยนี่มนุ์ท่านมาอยู่กับพวกเราะที่นี่ดีกว่า <c oughs> ลืมไปโอ้ปรารถนาดีกับหลวงพ่อใช่ไ่มมันต่างกันนะพระคุณเจ้าบอกว่าในวัดเนี่ยใครๆก็อยากเข้าไปใครๆก็อยากบวช เขาพอใจที่อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมีความสุขมันต่างกับผู้ตรงขังที่ว่าไม่พอใจไม่ชอบถูกไหมถ้าเราพอใจที่จะอยู่ที่จะเป็นแล้วก็เราก็เป็นอิสระนะเนีย่ยพวกเราเนี่ยพอใจที่จะอยู่ไม่รังเกียจไม่ต่อต้านที่นี่นะเราจะมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เรือนจำใช่มเหมือนบ้านเราเพราะความไม่พอใจนี่แหละทำให้เราต้องเป็นทุกข์จึงบอกว่าไอ้ข้อ น, นี้ เราต้องตั้งใจติดคุบเพื่อมาทำอะไรบางอย่างที่เรายังขาดหายไปคือการศึกษาตัวเราให้เข้าใจเนี่ยวางใจแบบนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ข้างหนก็เป็นสุขอยู่ข้างนอกก็เป็นสุขถ้าอยู่ข้างนอกถ้าเราไม่พอใจเนี่ยมันก็เหมือนเรือนจำนะอยู่บ้านคนนี้เจอแต่คนไม่ชอบหน้าเราบาอที่เราหงุดหงิดอึดอัดมันเหมือนเรือนจาที่ก็บอกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากก็ตรงนี้แหละ ในเรือนจำเนตรโอ๊กกว้างใหญ่อย่าไปขับใจเปิดใจให้กว้างยอมรับเพื่อการศึกษาชีวิตให้เข้าใจเราจะบอกว่าที่เนี่ยไม่ใช่เรือนจำเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตเราคือนักศึกษาเพื่อให้เราเป็นคนดีซะก่อนและค่อยออกไปตามเงื่อนไขไม่ให้ออกไปดีนะดีก่อนและค่อยออกไปออกไปนี่ไม่มั่นใจว่าจะดีนะเราต้องดีซะก่อนเป็นสินค้าที่ดีซะก่อนและค่อยออกไปเป็นช่วยขัดเกลา เราอาจจะเกิดมาเนี่ยคุณแม่อาจจะขัดเราไม่เพียงพอก็ได้ขัดกี้ใครอาจจะน้อยไปหน่อยพวกเราเลยมาช่วยขัดอุปมาอย่างหนึ่งไม่อยากจว่าสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเช่นว่าเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่ก่อนจะออกไปขายเขาได้นี่มันต้องมีการขัดขัดขัดขัดขัดให้มันเรียบแล้วไปทาชลัดทาเล็เกอร์เป็นสินค้าที่สวยงาม พวกเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยเรามาช่วยกันขัดขัดแบบยิ้มๆอย่างนี้แหละคนไหนปุ่มมากอะไรก็ต้องขัดมากหน่อยเพื่อเราจะได้เป็นสินค้าที่สวยงามออกไปเนี่ยมีชีวิตที่ดีมีความสุขภายหลังจากการขัดเกลาเนี่ยมันมีผลนะมันมีผลทำให้เราเนี่ยกลายเป็นจากบุคคลที่เปผู้ต้องขังชั้นธรรมดาเพราะขัดเกลาแล้วกลายเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี แล้วก็ดำเนินชีวิตตามหลักการได้อย่างถูกต้องคือมีสติมีปัญญาในการใช้ชีวิตเราจะเห็นประโยชน์ของการทำสิ่งนี้นะเพราะว่าการที่เรามีสติเสมอเสมอเนี่ยเราสร้างบุญกุศลได้เสมอเสมอเราจะกินอิ่มนอนหลับสบายนอนก็สบายกินก็สบายถ้าเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตตอนนี้บางคนอาจจะเห็นตัวเองนไร้ค่ามาก แตาลองมีสติศึกษาตัวเองดิเราจะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่โอ้อคุณพ่อคุณแม่ให้ชีวิตเรามาเรามาทําประโยชน์มาเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่มันจะภูมิอกภูมิใจที่เราใช้ชีวิตที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาอย่างคุ้มค่าจะเข้าใจตัวเองเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นชีวิตของคนอื่นเนี่ยน่ารักหรือน่าถนอมเหมือนชีวิตเรารักชีวิตคนอื่นเท่ากับชีวิตของเราจะไม่เบียดเบียนกันเลย จะให้ใหภาภัยกันเราก็จะมีความจุ่ร่วมกันและมันจะเกิดกาลังใจนะถ้าเราทำได้เกิดกำลังใจกำลังใจเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอยู่ข้างในก็เชื่อมัน่นอยู่ข้างนอกก็เชื่อมัน่นแม้ว่าใครจะมองเราในสตาร์ใดก็ตามเราเชื่อมั่นในการทำความดีของเรานี่เป็นกำลังใจที่เกิดจากกาลังภายในที่เราสร้างขึ้นมาเองคือกาลังของความดี ของสติปัญญาตรงนี้แหละอันนี้รับรองได้ผมเองนี่เป็นคนพิการที่เป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้กระจอกงอแ ง, งอมากไม่กล้าไปสู่ในที่สังคมอายครับกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะตัดผมเปลี่ยนก็กลัวก็จะว่าเนี่ยไม่ปกติไม่ผมยาวมันก็หลอกกว่านี้แล้วพอตัดผมเปลี่ยนไปเลยโอ้ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วทุกที่ตัดผมทุกเคยไหมถ้าเราตัดผมเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนนะ โอ้ผมสั้นไม่ต้องหวีผมไม่ล่วงและไม่ค่อยขันด้วยมันอาจจะไม่หลอตั้งหน่อยแต่มันก็สบายใจระบายกายั้มโอ้เหรอเริ่มจากตรงนี้แหละความลำบากนี่แหละแล้วผลก็ออกมาดีเล็กล้าที่จะออกมาสู่พวกเราเพราะมีความมั่นใจเรามีสติมีปัญญามีศีลมีความประพฤติดีมีความดีใช้สภาพร่างกายนี่ยเป็นประโยชน์กับคนอื่น แล้วก็เป็นเบียวกับตนเองด้วยได้เรียนรู้ตัวเองและเข้าใจคนอื่นด้วยเพราะนั้นพวกเราอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจชีวิตเรายังมีโอกาสอีกมากมกว่าที่เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้อย่างน้อยตอนนี้คุณเปลี่ยนแล้วคุณเป็นเพียงคนที่เคยทำความผิดเท่านั้นตอนนี้เราไม่ใช่เป็นผู้ที่ทาความผิดเราเป็นคนดีแล้วรักษาความดีตรงนี้ไว้นะให้กาลังใจไม่มีอะไรมาฝากคนพิการ มีแต่แง่คิดแล้วก็กำลักกงใจ